ที่ไหนนะปกติไม่เคยแล้วคําความไม่เคยและไม่ทําไม่ปล่อยนั้นเพราะเหตุใดเราคิดแล้วด้วยเหตุผลทุกอย่างไม่มีทางาได้มีทางเสียอย่างเดียวอันนี้ก็ไปก็จะไปแห่กันดูคนนี่เร้เราก็คนอยู่แล้วมันเป็นเป็นประโยชน์อะไรเราลองต่อยลองดูห้ตาวีไปคนเดียววันนั้นแล้วมันแห่กันไปนะ่ะ มันไปประโยชน์อะไรนรกว่ามาหาภาวนามาหาดูคนเหรอผลที่ได้มีอะไรบ้างไปนั่นไอ้แหวกแนวแวกแนวแวกแนวเรื่องนี้กำลังเริ่มนะเรื่งนี้นะมันแทรกเข้ามาแซงเข้ามาแซงเข้ามาเรื่อยวงปฏิบัติครูบาอาจารย์หวังที่เราหวังว่าจะมาอยู่มาอาศัยมาอบรมศึกษามันจะเอาแบบวิเศษเข้ามาเหียบย่ำทาลายครูบาอาจารย์นวา ว, วาว่าให้แหลกไปหมดเวลานี่งนะ รู้หรื อ, อยังเนี่ยนี่มันค่อยแทกเขาแทกเขาแทกเขาท่านทั้งหลายรู้ยังนี่มันีน่มัไม่ใช่คนฉลาดนะผมว่าดีแต่รู้ถ้าเวลามามากเขามากเข้าแล้ว เ, เยียบกันแหลกไปล่ะไม่มีเจตนาก็าตามเธอเยียบต้องแหลกเห็นไหมรถเหยียบคนมีเจตนาที่ไหนแหลกไหมในทีเดียวยีบหัวคนเมนนเหมือนกันเยียบหัวพระ บวชเนี่ยยิเลศ็นบวชไหมอะไรอุปชายิเลศเห็นไหมมีที่ไหนบวชพระบวชง่ายจะตายเป็นยิเลศบวชพระเหยียบพระมาเก่งกลางเกี่ยกลางๆๆขวางนั้นขวางนี่แสงหน้าแสงหลังนี่นีดึงลําบากแเราที่เป็นหัวหน้าอกแทบแตกนะ นอกจากไม่พูดเฉยๆตามองแผลบมันก็เห็นแล้วหูฟังมันก็ได้ยินแล้วเรื่องที่เหลือทั้งนั้นนี่นะมันไม่ใช่เรื่องอัดเรื่องทำเจ้าของรู้ไหมทว่าฉลาดต้องรู้สิที่เหลืมันอยู่กับตัวทําไมจะไม่รู้มันออกมาจากหัวใจตัวแท้ออกมาทางสียาออกมาทางคําพูดคาาําจาทาไมมันไม่รู้หรอมันอยู่กับเราทำไมให้คนอื่นรู้ทว่าฉลาดอ่ะ นี่ที่ว่าเราตั้งใจพิษษาึาราเพราะเพราเราไม่รู้เราครูบาอาจารย์อาจรูจรร้ทํามท่านรู้เนี่ยเราได้ไปแล้วทำไมจึงเอาเรื่องของกิเลสไปเยียบย่าทําลายแหลกไปหมดด้วยไม่รู้อีกหรือเจตนามีอีกนั่นมันหลายชั้นมีผมก็ค่อยยิ่งอายุทังขารสุขภาพทุกอยา่างก็ยิ่งลดลงลดล ง, ลงไม่ค่อยได้ ว่าได้กล่าวอะไรมันก็ยิ่งวันเลียเล้ยงเลวไหลไปทุกวันทุกวันนี่แล้วการดําเนินที่จะไปเพื่อมรู้นิ้ผ่านเป็นอยู่อย่างนี้เหรือเจ้าของอยังภูมิใจอยู่หรือว่านี่คือการดําเนินเพื่อมรูนิ้ผ่านที่กิยาการแสดงออกทั้งภายในจิตทั้งกิยาการของทางการทางวาิชาอันนี้หรือเป็นทางเพื่อมรูนิ้ผ่านมันเป็นทางกิเลส เคยพูดแล้วพูดเล่าว่าอะไรที่แหลมคมในสามแดนโลกธาตุนี้อะไรที่แหลมคมเหนือกิเลสมีไหมนั่นมันมีแต่ความแหลมกิเลมันแหลมคมขนาดไหนมันเหยียบหัวสัตว์โลกทั้งสามดั้งใจโลกธาตุที่เคยแก่จะตา ย, ยเวลานี้เพราะอะไรทายเกิดแก่จะตายมันแค่เรื่องของกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นแล้วสิ่งที่เหนือกิเลสคืออะไรก็คือธรรมเท่านั้นมาศึกษากับครูาอาจารย์มันศึกษายังไง ไม่ใช่มากอบเกลียวขี้เต็มตัวแล้วหรือเวลานี้ไม่สงสัยในเราหนะน่ะนันแท็กของนั่นแท็ก่องนี้เข้ามามองไม่ทันนะั่นถ้าจะจะว่าไม่ทันเจ้าของที่มองเจ้าของไม่ทันแล้วไม่มองก็ไม่รู้ถึงจะปล่อยให้มันหลังแล้วออกมาแล้วมันเหยียบเจ้าของแหลกไป เยียมคนอื่นไปอีกแรกไปอีกอืมแบบเคยอธ <c oughs> ิบายให้ฟังขนุทนทำเยียมกดขอบังคับแล้วเดี่ยวแบบแถนวิธ <c oughs> ีการดำเนินทุกแง่ทุกมุมที่ครูวาอาจารย์ทำดำเนินมาถ้านํำเนินยังไงมีหลวงปู่มั่นเป็นต้นเราก็ได้นำออกมามาพูด ที่แจ้งแสดงบอกให้หู่พื่อนเนียเขาเข้าใจโดยเห็นที่ว่าตั้งใจมาศษษษึกษาแต่แล้วทําไมมั น, มนหลิว ไ, ไ, ไหลไปหลิวไหลไปเรื่อยต่อไปนี้มันจะเหลือแต่ชื่อกรรมฐ า, านนะที่ไม่ดีชื่อก็ถูกกิเลสลบไปหมดไม่มีเหลือรู้ไหมกิเลสแทรกทำมันสวมลอยอยู่ตลอดเวลาอยู่ในใจนะั่นทำจะเกิดได้ชั่วขณะขณะแต่กิเลสนั้นเกิดได้ตลอดเวลาแล้วมันจะทันกันไหมนะ่ะพิณาจี ลมกิเลสเกิดได้ตลาวเวลาทำได้เกิดได้ตลอเวลาแล้วคอยแต่จะพิรนณาแต่พิหน้ า, ตน า, ตนาไตเพราะกิเลสทำลายมันมันจะสมดุลกันไหมล่ะท่านผู้ค่ากิเลสท่านไม่ได้ทำแบบอย่างที่เราเราทำใทุกวันนะอย่าเข้าใจว่าแบบนี้เป็นแบบค่ากิเลสนะเจ้าของรู้ไหม มันดึงมันดูดอยู่ตลอดเวลารู้ไหมเจงก็ไม่เล็ดพิเรพนของหัวใจทำก็แทรกได้เมา่อไหร่เอาถ้าอยากจะทราบปฏิบัติไปดูเยเมื่อถึงเวลาที่จะรู้จะทราบกันนะ่ะปิดไมอ่อยู่พิเรตอยู่ตรงไหนปิดไม่อยู่อเปิดออกหมดเพราะทำเป็นผู้เปิดเปิดออกหมดฆ่าหมดแหลกไปหมดจกนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือในหัวใจทําไมมองดู กิเลสมันจะไม่รู้สิเมื่อทําเต็มหัวใจแล้วมองไม่กิเลสไม่รู้มีเหรอือโอ้โอยยอดไดโลกรวปิทูมาจากไหนถ้าไม่ได้มาจากธรรมโลกัปปิทูโลกรวปปิทูชวนไปทำไมส่วนไม่คิดไม่อ่านส่วนเหมือนนกขุนทองส่วนไปทำไ ม, ม, ไ ม, ม, ไำไมถ้าเป็นธรรมต้องพิจารณ์สิเปิดน้องที่ี่เลย่ะ สติปัญญาธรมรมดาธรมรมดาที่เรามาใช้จะไปฆ่ากิเลสอย่าหวังนะธรรมชาติจิตแต่ภาวนาภาวนามยปัญญาเป็นหลักใหญ่เริ่มไปตั้งแต่สุดตามายปัญญาฟังเพื่อจะฆ่ากิเลส น, นินตามายปัญญาคิดเพื่อจะฆ่ากิเลสนี่สองบทนี้ขึ้นไปพอถึงขั้นที่สามภาวนามยปัญญานั่นแหละที่นี่ปัญญาประเภทนี้หาในแดนโลกธานนี้ไม่เจอถ้าไม่หาในแดนปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ มัติมาปฏิปทานี่เท่าน SARAH ั้นที่ปัญญาเหล่านี้จะเกิดและจะฆ่ากิเลสได้มีปัญญานี้เท่านั้นเราอย่าเข้าใจว่าปัญญาที่โลกข้างหลังเรียนมาสามเดนโลกทานนี้จะเป็นปัญญาวิเศษวิโสใดเลยมีแต่ปัญญาเป็นเครื่องมือของกิเลสเท่านั้นเองได้คล่องตัวฉลาดเท่าไรกิเลสยิ่งเอาไปใช้อย่างคล่องตัวเพราะปัญญานี้เป็นปัญญาของกิเลสไม่ใช่ปัญญาของธรรมที่จะฆ่ากิเลสปัญญาฆ่ากิเลสคือภาวนาเมญปัญญาหจําให้ดี อันนี้นะ่ะเกิดขึ้นไม่ต้องถามผู้ใดาหากรู้เจ้าของเองปัญญาขั้นนี้เกิดขึ้นไม่ต้องประศึกษาจากผู้ใดก็ตามถ้าลงปัญญาขั้นนี้เลยเริ่มตัวไหวตัวแล้วเราฟังมาจากพระพุทธเจ้าสาวบอกตลาดฟังจากพระพุทธเจ้าฟังในเงื่อนตนัวเงื่อนตัวแล้วเพื่อปัญญาเหล่านี้เกิดเริ่มมาตั้งแต่สุตตมั ญ, ญปัญญาฟังจากพระพุทธเจ้ายินารามมั ญ, ญปัญญานำธรรมะของท่านไปกรองดู ตามเหตุตามผลแล้วก็ภาวนามมยปัญญาขึ้ น, นพอภาวนา ม, มาภาวนามายปัญญาเกิดขึ้นแล้วอาตเติเลตนี่มันจะมีหนา น, น, นั่นยิ่งของภูเขากี่ลูกก็เถิดพังลงพังลงพังลงนี่ให้พากันทราบปัญญาค่าคิเลตคือปัญญาประเภทนี้ไม่ใช่ปัญญาที่เหลวแหลกแหวกเนวที่ภูมิใจว่าจะของฉลาด น, นั้น อัะลริมครับ